ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตตะปพระบุพพสิกขาและบุพพสิกขาวันน า, นาพระอมราธิรกิตะอมโรเกิดวัดบรมนิวาสรจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวในอนามาสาธิกถาก็คือวัตถุที่เป็นอนามาตเป็นต้นข้อหนึ่ง พิสุจับต้องมารดาเป็นต้นด้วยถือว่าเป็นมารดาและทีดาพี่หญิงและน้องหญิงเป็นทุกกฎห้ามจับต้องสําหรับสตรีไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ว่าจะเป็นพี่น้องแม้กระทั่งมารดาก็ยังห้ามจับต้องเลยเพราะว่าเป็นวัตถุอนามาตถ้าจับต้องก็ต้องอบัตทุกกฎ ด้วยทรงห้ามไว้ในวินิจตวัตถุแห่งกายสังสักะเรื่องการจับต้องกายหญิงในสุขาบทที่ว่าด้วยเรื่องการจับต้องกายหญิงว่าอาปฏิดุกตัสะดังนี้อันมาตุคาม์ยอมเป็นข้าศึกแก่โภมจันยร์เพราะเหตุ น, นั้นเมื่อคิดถึงอาจายาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ถ้าแม้เห็นมารดาตกน้ำลอยไปตามกระแสยาพึงถูกต้องด้วยมือเลยเทตกุผู้ฉดาดพึงเอาเรือหรือกระดาน นกล้วยหรือท่อนไม้ทิ้งไปเมื่อของนั้นไม่มีแม้ผ้ากาสาวะก็พึงวางทิ้งหลงข้างหน้าเิดแต่อยาบอกให้จับเอาครั้นมารดาจับผ้าเข้าเองก็พึงคล่ามาก็คือดึงฉุดมาด้วยคิดว่าเรารังบริขารของเราถ้ามารดากลัวก็พึงไหว้ไปข้างหน้าปลอบว่าอยากลัวเลยถ้ามารดาขึ้นคอหรือว่ายึดเอามือเข้าซ้ายก็ยาพึงสลัดเสียพึงส่งให้ถึงบก แม้มารดาติดโคลนและตกลงอยู่ในบ่ก็เหมือนกันพึงเอาเชือกหรือผ้าทิ้งลงไปในที่นั้นรู้ว่ามารดาจับเอาแล้วพึงรั้งขึ้นมาแต่ว่าอย่าถูกต้องตัวใช่แต่สริระแห่งมาตุขามอย่างเดียวเป็นอนามาต์แม้ผ้าหนุ่งผ้าหมและเครื่องประดับโดยที่สุดเทิดย้าและแหวนใบาตาลเป็นของหญิงยังหวงอยู่เพื่อเป็นเครื่องประดับ เป็นอนามาทั้งสิ้นจับต้องไม่ได้ถ้าผ้านุ่งผ้าหม่มเขาผลัดวางไว้แทบบาดมูลคือที่เท้าเนี่ยเพื่อถวายเป็นจีวรนี่ควรอยู่ในเครื่องประดับสิ่งที่เป็นกัปปิยะเป็นต้นว่าปินงาเขาถวายพึงรับมาเป็นเครื่องอุปการะเป็นต้นว่าใช้กลัดซองเถิดแต่สิ่งที่แล้วได้ทองและเงินและเพชรพลอยเป็นอนามตแท้แม้เขาให้ก็อย่าพึงรับ ข้อหนึ่งจับต้องตุกตาไม้เป็นรูปหญิงเป็นทุกกฎด้วยสรงห้าไว้ในวีนีิตรวัตถุว่าอาปฏิตุกตตะดังนี้แม้รูปงารูปเหล็กรูปโลหะรูปดีบุกรูปปั้นไม้ปูนหรือว่าสมัยนี้ก็รูปปั้นพลาสติกรูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงโดยที่สุดรูปแล้วด้วยแป้งก็ดีที่เขาทําสรนฐานดังหญิงเป็นอนามาทั้งสิ้นรวมทั้งรูปภาพเลยนะ รูปโป้ต่างๆคนนี้เขาถวายเพื่อบริโภครูปอันเศษเว้นแต่รูปแล้วด้วยแก้วทั้งปวงจะต่อยเตียที่ควรเป็นอุปการณ์นำเข้าไปเป็นเครื่องอุปการณ์ที่ควรบริโภคน้อมเข้าไปเป็นเครื่องบริโภคควรอยู่แต่ว่าต่อยให้มันเสียรูปไปก็ใช้ได้เอาสิ่งที่ควรใช้สอยบริโภคได้เอาไปใช้ก็ได้ ใช่แต่รูปหญิงอย่างเดียวแม้ข้าเปลือกเจ็ดประการก็เป็นอนามาตเหมือนกันเพราะเหตุนั้นเมื่อเดินไปกลางนายาพึงถูกต้องไม่ได้ข้าวเปลือกแม้เกิดอยู่ในนานั้นถ้าเขาตากข้าวเปลือกไว้ที่ประตูบ้านหรือว่ากลางทางผลทางไปโดยข้างมีอยู่ยาพึงเหยียบไปเมื่อทางไม่มีพึงอธิษฐานว่าเป็นทางแล้วก็ไปเถิดในละแวกบ้านเขาปูอาสนะบนกองข้าบเปลือกให้นั่ง จะนั่งก็ควรคนบางคนเขาเทข้าเปลือกไว้ในโรงฉันถ้าอาจให้เขาขนเสียได้ก็พึงให้ขนเสียถ้าไม่อาจใช้อย่าพึงเหยียบย่าพึงให้เขา ต, ตั้งตั่งลงข้างหนึ่งแล้วก็นั่งเถิดถ้าโอกาสไม่มีเขาตั้งกลางกองเข้าเปลือกก็พึงนั่งเถิดแม้ข้าเปลือกอยู่ในเรือก็เหมือนกันแม้อาปารณชาติมีถั่วเขียวและถั่วราชมาเป็นต้น หรือผลตาลและขนุนเป็นต้นที่เกิดอยู่ในต้นนั้นก็อย่าพึงลูกคลำเล่นแม้แต่ทาเป็นกองไว้ก็เหมือนกันผลไม้หล่นอยู่ในป่าจะถือเอาด้วยคิดว่าจะให้อนุสัมพันธควรอยู่แต่ว่าก็ต้องมีจิตบริสุทธิ์แก้วมุกดาแก้วมณีไพผ่ทูลสังศิลาแก้วประทานเงินทองแก้วทับทิมแก้วลายสิบอย่างนี้ชื่อว่ารัตนะแก้วมุกดาเขายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้เจาะ เป็นอย่างเดิมอยู่ควรจับต้องได้นอกนั้นเป็นอนามาติแต่ในอธิษฐามหาปัญ จ, จรีกล่าวว่าแก้มุกดาแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ตามเป็นอนามาตจะรับเพื่อมูนค่าพันดะไม่ควรแต่จะรับเพื่อเป็นยารักษากุดถังคือแก้โรคเรื้อนนี่ควรอยู่จะมาเป็นค่าพันดะเครื่องใช้ต่างๆไม่ควรแต่ว่าเอาไว้รักษาโรคได้อยู่แก้มณีเป็นต้นว่า เขียวหรือว่าเหลืองทั้งปวงโดยที่สุดแก้วชาติผลึกเขาขัดเจาะเจรไนแล้วเป็นอนามาต์แต่เป็นมาอย่างเดิมมาจากบอท่านว่าจะรับเพื่อมูลค่าบาทเป็นต้นควรอยู่ในมหาปัจจ리ท่านห้ามว่าไม่ควรท่านว่าแก้วกระจกที่เขาหงอย่างเดียวเท่านั้นจึงควรแม้ในแก้วไพฑูรย์ให้วินิจฉัยเหมือนแก้วมณีเถิดสังเป่าเขาขัดเจาะแล้วและวิจิต เือด้วยรัตนะเป็นอนามาสังที่เป็นภาชนะน้ําแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดพอดีเป็นอนาม마สจับต้องได้เอาไว้ตักน้ําดื่มสังนอกนั้นจะรับเพื่อเป็นยาตาหรือมูลค่าพันดะป้อควรศิลาเขาขัดเจาะแล้วเขาประกอบรับตนะเข้าด้วยมีถีดังถั่วเขียวเป็นอนามาสจับต้องไม่ได้ศิลานอกนั้นจะรับเพื่อเป็นหินลับมีดเป็นต้นควรอยู่ แก้ประทานเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาตนอกนั้นเป็นอาม마าสจับต้องได้ที่เขายังไม่ได้ขัดไม่ได้เจาะจะรับเพื่อมูลค่าพันดักระควรแต่ในมหาปัจจลีก็กล่าวอีกว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาสติ้นจะรับก็ไม่ควรจะเชื่อฝ่ายไหนตามอริธาหรือว่าตามมหาปัจจลีลองพิจารณาดูนะเงินทองเขาทำเป็นรูปพันุ์แล้วหรือว่ายังไม่ได้ทําก็ดี ตั้งแต่พืชเป็นต้นไปเป็นอนามาตด้วยเงินทองจะทำหรือยังไม่ทำก็เป็นอนามาตหมดไม่ควรรับด้วยประการทั้งปวงได้ยินว่าอุตรราชบุตรสร้างเจดีย์ทองแล้วสงไปแก่พระมหาปทุมเถระท่านห้ามเสียว่าไม่ควรในเรือนเจดีย์มีบัวทองและดาวทองเป็นต้นแม้ของเหล่านั้นก็เป็นอนามาสด้วย แต่พิกตุผู้รักษาเรือนเจดีตั้งอยู่ในที่เป็นผู้ทิ้งรูปิยะเพราะเหตุนั้นท่านว่าพิกตุนั้นจะจับต้องยักย้ายของนั้นควรอยู่แต่ในอัตถกษากรุณทีท่านห้ามเสียว่าไม่ควรกรุณทีบอกว่าไม่ควรท่านยอมแต่เพียงว่าจะขนหยาบเยื่อในเจดีทั้งปวงไปเสียควรอยู่เท่านั้นแม้สัริ์วิเตศมีสีดังทองเช่นทองเคเป็นต้น มีคติแห่งทองแท้เป็นอนามาสจับต้องไม่ได้คำเหล่านี้ว่าไว้ในอัตถฐานทั้งหลายเครื่องบริโภคในเสนาสนะเป็นกับยะทั้งสิ้นพระเหตุนานบริขารแห่งเสนาสนะทั้งปวงแล้วด้วยทองและเงินก็เป็นอนามาตสจับต้องได้เขาทำรัตนบุญดบเป็นที่แสดงธรรมและวินัยแห่งพิจตุสาวกแล้วด้วยแก้วพลึกประดับด้วยภูมรัตนะเครื่องอุปการะในมณฑบนั้น ทิตุจะชำระควรอยู่แก้วทัพทิมเขาขัดเจาะแล้วเป็นอนามาสนอกนั้นเป็นอาม마สท่านว่าจะรับเพื่อเป็นมูลแห่งพันดะควรอยู่แต่ว่าในมหาปัญจเรีก็กล่าวว่าแม้เขาขัดแล้วหรือว่ายังไม่ได้ขัดกรณีเป็นอนามาสทั้งสิน้นจะรับก็ไม่ควรแสดงว่าในมหาปัญจเรีนี้ทั้งก็เกร่งคลัดเหมือนกันนะเครื่องอาวุธทั้งปวงเป็นอนามาส แม้ขาถวายเพื่อเป็นมูลค่าพันดะก็อย่าพึงรับจะชื่อว่าขายสัตราไม่ควรคันธนและสายเปล่าและประตัดและขอดโดยที่สุดแม้มีดและขวานเป็นต้นที่เขาทำสังเกตว่าเป็นอาวุธเป็นอนามาถ้าเขาเอาห อ, อกหรือว่าโตมอนมาวางไว้ที่วิหารเมื่อจะชราระวิหารพึงบอกให้เจ้าของเอาไปเียถ้าเขาไม่เอาไปเสียก็อย่าทาให้ของนั้นไหว ชำระแต่วิหารเถิดเห็นดาบหอกหรือว่าโตมอนตกอยู่ในที่รบเอาหินต่อยดาบเสียถอดด้ามหอกเสียตัวถือเอาไปเพื่อทําเป็นมีดด้ามเพื่อเป็นไม้ท้าเป็นต้นควรอยู่ที่เขาถวายจะทําให้ชิพายเสร็จแล้วรัดเอาไปทําเป็นกับยะพันก็ควรเหมือนกันนั่นก็ทําให้เสียรูปของความเป็นอาวุธไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างอื่น แม้แห่ขายดักปลาดักนกเป็นต้นเครื่องกันลูกศรมีโลและขายเป็นต้นก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาทั้งสิ้นได้มาเพื่อจะบริโภคขายจะเอามาผูกเป็นอาสนะหรือเจดีหรือว่าคันฉัดก็ควรเครื่องกันลูกศรทั้งปวงจะรับเพื่อเป็นมูลค่าแห่งพันดะ ก, ก็ควรด้วยว่าของนั้นเป็นแต่เครื่องกันความเบียดเบียนไม่ทาความเบียดเบียนผู้อื่น โลจะรับมาทําเป็นภาชนะไม้สีฟันก็ควรเอาไว้ใส่ไม้สีฟันพินและกลองเป็นต้นที่เขาขึงด้วยหนังเป็นอนามาต์แต่ในอัตถากฎรุนทีว่าแม้ตัวพินตัวกลองและรางเปล่าและหนังที่เขาขึงในคอปากและคันพินก็ดีทั้งปวงเป็นอนามาตสิ้นจะถึงเองหรือให้เขาขึงประโคมเองหรือว่าให้เขาประโคมไม่ได้เลย แม้ได้เห็นเครื่องดนตรีที่เขาบูชาแล้วทิ้งไว้ในรานเจดีย์และเขาบูชาแล้วทิ้งไว้ในรานเจดีก็อยากทาให้ไหวพึงกวาดไปในระหว่างแต่ในเวลาทิ้งอยากเยื่อจะนําไปโดยกําหนดว่าอยากเยื่อแล้วก็วางไว้ข้างหนึ่งก็ควรให้กําหนดว่าไอ้เจ้าเครื่องดนตรีเหล่านี้ก็คืออยากเยื่อนั่นแหละขยะดังก็ต้องเอาไปทิ้งคํานี้กล่าวไว้ในมหาปัญจเรี แม้จะรับดนตรีเพื่อเป็นมูลแห่งพันดะก็ควรแต่ที่ได้มาเพื่อจะบริโภคจะถือเอาเพื่อทำบริขาร น, นั้ น, น, น, น, นคือรังพินตัวกลองทำเป็นภาชนะไม้ตีฟันหนังจะทำเป็นฝักมีดแล้วทำเป็นอย่างนั้นก็ควรเหมือนกันข้อหนึ่งอย่าจับต้องผลไม้มีกล้วยและมะพร้าวเป็นต้นซึ่งเกิดอยู่ในที่เกิดอยูนที่ต้น ถ้าถูกต้องลูกครามต้องทุรุปะจินนะทุกฏ ท, ทุกกฎเพราะว่าประพฤติไม่ดีประพฤติชั่วข้อหนึ่งไปเที่ยวบินทาบาทผงตกลงในบาตรึงให้ประเคินบาตรเสียใหม่หรือล้างเสียก่อนจึงรับพิษาถ้าไม่ประเคินและล้างเสียก่อนต้องวิเนยทุกฏก็เป็นอาบัติถ้ามีผง ม, มีอะไรตกลงในบาตรแล้วก็ไม่ล้างไม่ประเคิใหม่เนี่ยอนามาสาดิกถาจบ ตั้งแต่พิกจุเป็นอาการทุกกะจะเข้าวัดอื่นไปจนถึงหลีกออกไปตูทิศจะไว้กล่าวในวัดตักขันธกะข้างหน้าที่พระบัญญัติแห่งทุกตาบัตตั้งแต่ต้นมาจนถึงวินัยทุกกฎนี้เป็นสัจจิตตะแกล้งล่วงด้วยจิตที่รู้จึงเป็นอาบัตทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะทุกกฎเนี่ยเป็นสัจจิตตะสัจจิตตะวันณ น, นาจบ ต่อไปก็จากพัน น, นาในอาจิตตะบัญญัต์หมายถึงพระบัญญัติที่เป็นอบัตโดยที่เป็นอาจิตตะข้อหนึ่งพิกษุอย่าพึงไปดูฟ้อนขับประโคมถ้าไปดูต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่านาพิคเวนัดจังวาคีตังวาวาดิตังวาดันาสนายะคันตับบงังดังนี้รำฟ้อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่สุดแม้นกยุงรำไปเพื่อจะดูต้องทุกกฎ รำฟ้อนเองหรือว่าให้ผู้อื่นรำฟ้อนเป็นทุกขกดแท้ขับร้องแห่งคนฟ้อนหรือว่าเพลงขับร้องประกอบด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยในเวลาพระอริยะเจ้านิพพานหรือขับแห่งภิกษุผู้แสดงธรรมไม่สมรวมโดยที่จุดแม้ขับด้วยฟันก็ชื่อว่าขี่ตะทั้งสิน้นคิดว่าจะขับและกดลงในส่วนก่อนหรือว่าร้องแต่ต้นเพลงขึ้นแม้อันนั้นก็ไม่ควร ขับร้องเองหรือว่าให้ผู้อื่นขับร้องเป็นทุกข์กแท้ประโคมเครื่องดนตรีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ควรก็แต่ทิกษุทอดถอนหรือว่าตั้งอยู่ในที่รังเกียจจะดีดนิ้วมือหรือว่าตบมืออันใดก็ดีในการนั้นไม่เป็นอาบัติฟ้อนรำขับประโคมทั้งปวงยืนอยู่ภายในอารามแลเห็นไม่เป็นอาบัติคิดจะดูลุกขึ้นเดินไปเป็นอาบัติยืนอยู่ในถนนแม้เบือนคอไปดูก็เป็นอาบัติแท้ ข้อหนึ่งไม่ผูกประคตเอลก่อนอย่าเข้าบ้านถ้าเข้าไปเป็นทุกข์ด้วยทรงห้ามไว้วา่าณพิกเวอากายะพันธเนนะคาโมปวิสิตะโบดังนี้แม้ไม่ได้ผูกประคตเอวออกจากวัดระลึกได้ในที่ดใดผึ่งผูกในที่นั้นคิดว่าจะไปผูกที่โรงฉันใกล้บ้านแล้วและไปก็ควรระลึกได้แล้วยังไม่ได้ผูกอยาพึ่งเที่ยวไปบินทบาทก่อนเดีย๋ยวไปหลุดลุยกลางทางก็จะโปอายเา้า ข้อหนึ่งมีบาดอยู่ในมื อ, อยาผลักประตูถ้าผลักต้องทุกข์กฎด้วยตรงห้าไว้ว่านาภิกเวปัตะหัดเถนกะกวาตังปนาเมตบังดังนี้เฉพาะบาดอยู่ในมือพิกสุใดายพิกสุดานชื่อว่ามีบาดอยู่ในมือประหายไหเฉพาะผลักไม่ได้แต่บานอย่างเดียวก็หายไหมแม้ถึงว่าบาดอยู่ในมือหรือว่าในหลังเท้าในสรีระวัยวะเอย่ยงใดคงหนึ่งก็ตาม จะผักบานหรือว่าถอดลิ่มหรือว่าไขาดานไขกุญแจด้วยมือหรือว่าหลังเท้าหรือว่าด้วยศีรษะหรือด้วยจรีราวัยวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ทั้งสิ้นเลยแต่จะเอาบาดคล้องเข้าในจงอยบาแล้วก็เปิดบานและไขกุญแจได้อยู่ถ้าคล้องในบาแล้วนะเอาสายโยกคล้องที่บาแล้วก็จะทําอะไรก็ได้ทั้งนั้นข้อหนึ่งอย่านอนเตียงเดียวกันอย่านอนในเครื่องลาดอันเดียวกัน อย่านอนในที่มีผ้าห่มผืนเดียวกันอย่านอนในที่มีเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันถ้านอนดังนี้ต้องทุกข์ด้วยตรงห้ามไว้ว่าณเอกะมัญเจณเอกะเัะธรนีณเอกะปาปูรนีณเอกะธรนตปาปูรนีตุวตัติกับบังดังนี้ในเตียงและเครื่องลาดวางผ้าหรือไม่เท้าโดยที่สุดแม้ประดกเอวลงตรงกลาง แสดงที่กำหนดเสียแล้วจึงนอนทั้งสองรูปก็ไม่เป็นอาบัติก็มีเครื่องกำหนดสักหน่อยหนึ่งทักษะเสวินัยมีสติอันหนึ่งที่สุดทั้งหลายเอาชายข้างหนึ่งแห่งผ้าตาวานหรือเครื่องลาดหรือว่าเสืออ่อนเป็นต้นที่ควรยกหรือไปได้ปูลงข้างหนึ่งเอาห่มนอนก็ดีชื่อว่ามีเครื่องลาดและผ้าห่มผืนเดียวกันข้อหนึ่งยาฉันในภาชนะอันเดียวกันยาดื่มน้าในถ้วยจอกเดียวกัน ถ้าฉาันและดื่มดังนั้นต้องทุกกฎด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิกขเวเอกภาชเนะุนชิตบังณนะเอกถาเลปาตบังดังนี้ถ้ารูปหนึ่งถือเอาผลไม้และขนมไปฉันอยู่รูปหนึ่งฉันของที่เหลืออยู่ในภาชนะก็ควรก็ไม่หยิบพร้อมกันสงคนต่างหยิบแต่ว่าหยิบแล้วเสร็จดรียบ้อยแล้วถึงมาหยิบอีกรูปห่งขึ้มาหยิบแม่รูปที่ถือเอาไปฉันหมดแล้วจะถือเอาอีกในขณะนั้นก็ควร ข้อหนึ่งยาฉันกระเทียมถ้าฉันต้องทุกขกอดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิขเวละสุนังขาดิตบังดังนี้จะเจือกระเทียมลงในถูปะของฉันเป็นต้นก็ควรอันหนึ่งเป็นไข้า ย, ยาต้องเข้ากระเทียมพระโรคนั้นจะฉันกระเทียมก็ควรด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวเข้อความละอาภาทัพปัจจยาละสุนังขาดิตุงดังนี้ละสุนังนี้แปลว่ากระเทียม ติ๊กตวนี้นี่ไปฉันกรเทียมนี่ต้องบัดพาจิตตีขอมพิสุนี่ต้องบัรทุกกฎแต่ว่าในเอกสานท่านแสดงว่ากระเทียมนี้หมายถึงกระเทียมมคตนะอั น, นั้นกระเทียมไทยก็ไม่มีปัญหาอะไรข้อหนึ่งเท้าไม่ได้ล้างอยาเหยียบเสนาสนะมีเตียงตั้งเป็นต้นและพื้นที่เขาทําบริกรรมเป็นของสงข้อหนึ่งเท้ายัางชุ่มด้วยน้ําอยู่อย่าเหยียบเสนาสนะเช่นนั้น ข้อหนึ่งสวมรองเท้าอยู่อย่าเหยียบเสนาสนะเช่นนั้นถ้าเหยียบต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิฆเวอโธเตหิปาเดหิอเลหิปาเดหิตาอุปาหาเนนะเสนาสนังอักกมิตบังตามนี้ในที่เหยียบลงด้วยเท้าน้ำปรากฏอยู่เช่นนี้ชื่อว่าเท้าอย่างชุ่มอย่าเหยียบพื้นที่ทําบริกา ร, รหรือเสนาสนะ ถ้าแลเป็นแต่ยางน้ำปรากฏน้ำไม่ปรากฏควรอยู่เท้าเปียกจะเหยียบผ้าเช็ดเท้าก็ควรแท้เพราะว่าเข้าผ้าไว้ให้เช็ดนั่นแหละข้อหนึ่งอีกอย่าทมน้ำลายลงในพื้นที่เขาทำบริกรรมถ้าทมลงต้องถูกกดโดยตรงห้ามไว้ว่าณพิคเวปาริกรรมมะกะตายะภูมิยานุถหิตตบังดังนี้ ถมน้ำลายลงสั่งน้ำมูกลงในกระโถนควรอยู่ด้วยเป็นของทรงอนุญาตข้อหนึ่งอย่าอิงฝาที่เขาทำบริกรรมและฝาที่เขาทำจิตรกรรมก็คือลายเขียนถ้าอิงต้องถูกกฎดื่อตรงห้าไว้ว่านาพิคเเวบริกรรมมกะตาพิติอปัเสต บ, บารดังนี้ใช่แต่ฝาอย่างเดียวแม้ประตูและหน้าต่างกระดานพนักเสาหินเสาไม้เป็นต้น จะไม่ปิดด้วยผ้าหรือว่าวัตถุอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วอิงไม่ได้เลยต้องมีวัตถุรองข้อหนึ่งอีกเมื่อจะวางเตียงตั้งที่พื้นปูนหรือว่าพื้นที่เขาประพรมถ้าเตื้อําแพนและเตื่ออ่อนลาดอยู่ไม่มีก็คือไม่มีทั้งเตื้อําแพนเตื่ออ่อนเพิ่งเอาผ้าพันเท้าเสียก่อนด้วยทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกเวโจรเกณะปริเวเถตุงดังนี้ เมื่อผ้าจะพันไม่มีแม้เอาใบไม้รองก็ควรเมื่อไม่เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งรองก่อนและวางเตียงต่างลงเป็นทุกกดถ้าว่าจเจ้าอาวาตั้งเตียงต่างที่พื้นไม่มีสิ่งใดรองและใช้สอยเหยียบด้วยเท้าไม่ได้ล้างจะใช้สอยอย่างเจ้าอาวาสนาั้นก็ควรเพราะว่าไปวัดเท้าวันเท่าทำอย่างไรคงจะต้องทําอย่างนั้นในเรื่การฝ่าฝืนพระวิ น, นัย ข้อหนึ่งเตียงต่างของสองหรือว่าพื้นที่เขาทำการกระพมหรือเครื่องราชเสนาตนะซึ่งจะพึงเหยียบ ด, ด้วยเท้าที่ล้างแล้วพึ่งเอาของของตนปูราดก่อนจึงนอนด้วยทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิกเวเข้าความละปัจจัถริตวานิปัชชิตุงดังนี้ราดแล้วถ้าแม้นอนหลับอยู่เครื่องราชนั้นย่นเข้าสรีราพยบอันใดอันหนึ่งถูกเตียงต่า เป็นอาบัติแท้แต่ขนถูกเป็นอาบัตนับด้วยขนนับด้วยขนเลยนะแม้ก็อี้เตียงต่างด้วยอาการแห่งบริโภคก็เหมือนกันแต่ถูกหรือว่าเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยควรอยู่เมื่อจะนำเตียงต่างไปกระทบถูกในกายไม่เป็นอาบัติต่อไปอีกข้อหนึ่งยาไว้ผมให้ยาว ได้ทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่าณพิกเวดีคาเกสาทาเรต บ, บาอนุชานามิพิกเวขว้อความละทุมาสิกังวาด้วังคุลังวาดุมาสิกังสองเดือนทุวังคุลังก็สองนิ้วแปลว่ายาเพลิงทรงผมไว้ให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกฏเราจะถาคตอนุญาตให้ไว้ผมเพียงสองเดือนหรือว่ายาวเพียงสองนิ้ว ถ้าในภายในสองเดือนผมยาวถึงสองนิ้วพึงโกนเสียในภายในสองเดือนจะให้เกินกว่าสองนิ้วไปไม่ควรถ้าแม้ยังไม่ยาวถึงสองนิ้วจะให้เกินสองเดือนไปแม้จากวันหนึ่งก็ไม่ได้เลยด้วยกันทั้งสองนี้กำหนดส่วนอุกฤษแต่ตามลงมากว่านั้นซึ่งจะไม่ควรนั้นไม่มีก็คือใครจะปลงเดือนหนึ่งปรงทีหนึ่งหรือว่าปักหนึ่งงทีหนึ่งไม่มีปัญหาอะไร ข้อหนึ่งอย่าไว้หนวดและคราวโดยทรงห้ามไว้ว่าณนะมัตสุวัฏทาเปตะบังณนะโคโลมิกังณนะจตุรัสกังณนะปริมุขังณนะอัทธรุกังการาเปตะบังณนะทาธิกาทาเปตะบาแต่ว่าอย่าไว้หนวดให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกตก์อย่าให้เขาทําหนวดที่คางให้ยาวดังหนวดแพะ อยาให้เขาทำหนวดเป็นสี่เหลี่ยมคือว่าจะปรากฏเป็นสี่มุมสี่แยมอย่างไรอย่าให้เขาทำอย่างนั้นอย่าให้เขาทำประมวลข่าวอกเป็นแถวเป็นจอมอย่าให้เขาทำข่าวที่ท้องตั้งไว้เป็นแถวเป็นจอ ม, ออ ถ, จอมถ้าให้เขาทำอย่างว่ามาต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าไว้หนวดดังเที่ยวถ้าไว้ดังนั้นต้องทุกกฎข้อหนึ่งอย่าไว้ขนจมูกให้ยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกก ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณพิคเวดีคังนาติกะโลมังทารปตะบังดังนี้ขนจมูกพึงถอนเสียด้วยแหนบซึ่งเป็นของทรงอนุญาตและจะให้เตาถอนขนจมูกด้วยกรวดเป็นต้นไม่เป็นอาบัดแต่พระองค์ทรงอนุญาตแหนบไว้เพื่อจะให้รักษาตนข้อหนึ่งอย่าไว้เล็บยาวถ้าไว้ให้ยาวต้องทุกข์กรดพึงตัดเสียด้วยมีดตัดเล็บให้เสมอเนื้อด้วยทรงห้ามและอนุญาตไว้ว่า ณพิกเวดีคาณขาทางเรตาบังอนุชานามิพิกเวเข้อความละนขาดเฉดะนังอนุชานามิพิกเวข้อความละอีกมังสัปปามาเนณนะณขังฉินดิตุงดังนี้ตัดเล็บด้วยเล็บก็ดีไม่เป็นอบัติแต่พระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตมีตัดเล็บไปเพื่อจะให้รักษาตน ตัวนี้ก็ต้องรักษามากดฉะนั้นก็ต้องดูแลเยียวยาไปตลอดจนกว่าจะบรรลุมรคนิพพานสี่ครั้งข้อหนึ่งอย่าให้เขาขัดเล็บทั้งยี่สิบเล็บถ้าให้เขาขัดต้องทุกกฎพึ่งขัดเอาแต่มนทินเล็บออกเสียจากเล็บด้วยตรงห้ามและอนุญาตเลยว่าณพิคเววีสติมัดถังการาเปตะ บ, บังอนุชานามิพิคเวเข้อความละมละมัตตังอะปะกัตทิตุง ดังนี้นี้ก็เป็นเรื่องของสิกขาบทที่เป็นอาจิกตกะซึ่งก็ยังมีอีกมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะฉะนั้นก็จะยุติเพียงแค่นี้ใครท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งใจศึกษาในอาธิสติลสิกษาเพืษษ่อกือกูลแก่อทิเจติสิกขาและก็อาธิาาธปญาศึกษาขอให้ได้มีตัทธาในพระธรรมตรัยมั่นคงยิ่งขึ้นจนกระทั่งเป็นโลกุตระศรัทธา ก็คือได้บรรลุมรควินิพพานในการนันใกล้นี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ